พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5ตุลาคม2556ในโอกาสอบรมคณะอำเภอบึงการมีชื่อเรื่องว่าฝึกภาวนาไว้ไม่เสียหาย เอาอยู่ในความสงบนะลูกหลานนะแต่นี้นะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยจากท่านจะค่อยคลวะแล้วค่อยกลับบ้านกลับเมืองว่าเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะยังค่งฟังง่ายเมื่อนีเป็นวันเสาร์ที่หตุลาคมพุทธศักราช2556ัรอกก่อนอื่นนะ บอกให้คณะัาติท่าห ย, ยาดยม่มจดไปนะจดไ่ฟามือไว้เลยคันม้มีกระดาษงานหลวงปู่จามมหาปุญโญบ้านห่วยายจังหวัดมุกดาหารที่เป็นมรณะภาพเมื่อวันที่19มกราคมหาหกจะพระราชทานเพิ่งจรีละของหลวงปู่จามวันที่5มกราคม57 1700นของวันที่5มกราคม57ขอประกาศให้คณะเจ้าทายาทโยมหลุกลานที่มานั่งอยู่นี่หลวงพอมั่นใจว่าบ๊ผู้ใดก็ต้องผู้นึงล่ะจึงได้ไปงานซาลีละของหลวงปู่จ่ามวันและเวลาดังเกาวันนั้นของพ่อแจ้งข่าวให้ทราบโดนบ๊จากนี้ไปมันก็บวดนเดือนตุลา พฤติกาท่านว่าก็แมนน่ยสองเดือนตนเองผู้ว่านั้นขอประกาศให้คณะชาตท่ายาญโยมลูกหลานทุกขู่ทุกคนในรับปู่รับสาบตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่นนี่แหละหลวงพ่อนี่ยเป็นหลานขององค์หลวงปู่จามเนาะเป็นลูกปี่ส้ใหญ่ของเพิลนหลวงปู่จามเป็นน้องไส้โยมพ่อของหลวงพ่อเป็นคนที่สามจาก ในทองคุณายานยมพอของหลวงพอ เ, เป็นผีไส้ใหญ่ของเพิ่นหลวงปูจามเป็นคนที่สามเพิ่นบวชแต่อายุยี่สิบเก้ปีแต่สมัยก่อนมันกระบวดเป็นสมเแนนอยู่กับหลวงปูหมันหลวงปูหมันเพิ่นเอาแม่เพิ่นผ่านมาาบานหวยท้ายบานแล้วเพ่นก็ยมปูของ อ่ยมพ่อของหลวงปู่จ่ามก็เลยเอาเกวียนไปส่งยะโสทอนนะพ่อไปส่งแล้วก็เลยมอบลูกสร้อยคือหลวงปู่จ่ามอายุ14ปีให้หลวงปู่มั่นนะจากนกั้นก็เลยบวชหลวงปู่มันก็รับแต่เพิลนก็บวได้รับในยู่ได้ปุ๊บปับสวกข้าวเปุ๊บก็เลยมอบให้หลวงปู่สิงห์ขันตยะคมโมหนะลวงปู่มหาปินเป็นผูนั่นปุ๊บก็ลงไปพ่อไปถึงบ้านเพิลนย่อมแม่เพลนกะ มรณะพอมรณะพ้นก็นจัดการประชุมเพิ่งแม่พ้นเสร็จแล้วพ้นก็นลักหนีจากมูขื้นไปทั้งไปจำพัรษายอยู่วัดสะประทุมเชีงยงใหม่ไอ้กุงเทพเออจากนั้นก็พ้นก็ขื้นไปเชีงยงใหม่เนี่ยหละลงปูจามเลก เ, เป็นเคยติดตามลงปูหมันสมัยเป็นเด็กหน่อยต่อมากพนก็ลล่าซิกขาพอพ่น เ, เป็นโรลคลอยอายุ่18แปดสกําปีกำลังสิบวชเป็นพระนะ่ เป็นโรคลอยก็เลยได้ร่าศิกขาราศิกขาแล้วก็เลยมาเป็นคารวะอยู่จนอายุยี่สบเก้าปีเป็นกระปวดอายุยี่สิ้าปีบวชเป็นผาพ่อบวชเป็นผาแหละหนาศึกษาเด้ครูบาหน่อยครูบาหนุ่มทั้งหลายพ่อหลวงปู่จามบวดแล้วหนีจากบ้านบพร้อมแม่เพิ่นเนี่แม่เพิ่นเป็นแม่ชี้น่ยบอกว่าเออลูกเอ้ยขั้นบวชมากแล้วไม่ต้องห่วงแม่ดอก ไอ้ไปไกลๆลดทั้งไหนสิพ้นทุกในวัะสงสารแม่มีถูถึงแปดเกาข้นมีผู้ดูแลอยู่หรอกไอ้คู้บาบวชล้วไปเลยไปหาพ่อวนานาล้วไปตองห่วงแม่น่ลงปูจามก็ทราบแม่สร้างแลวกัดพ่อบวชปีนั่นแลวเแลวก็จำพรรษ า, าในหมู่บ้านปีที่สองกับไปเลยกัไป ไปจำมัณฑาเพชรบูรณ์ปอปีที่สามกับืนเชียงไม้จนในสามสิบกว่าปียว น, นไปยังคอยกลับมาหาแม่คุนอ่ะบอแม่ธรรมดาได้เนี่ยแหละหลวงพ่ออยากจะฝากไว้กับพวกพาลูกพระลานพ่อบวชขามาแดนเดีะจะไปโปรดแต่โยมพอโยอมแม่วนันไปพ่อหอดสามเดือนเท่า น, นั้นนะพ่อว่ออกไปอย่าไปหาปรดพ่อปวดแม่โอ้อยากจะไปวอ่อไปย่ะบออ่ทำมะหายพ่อแม่ฟัง ที่ไหนลพ่อไปฮอดบดพ่อแม่ลูกหลานมูกเกากี่ทานไฟเกานะเนี่อมันลุกพองขึ้นมาหนูตายเอาตายเอาลไปตายจากตายยังคือตายจากเพศชมณะเพศนั่นแหละซึกมัดตัวลงไปนี่แหละหลงปูจามเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อบวชเข้ามาแล้วบวต้องห่วงบ้านคนไปไปเลยคนไปจนอายุถึงสี่สิบกว่าปีเป็นยังคงกับมา จดแม่พอนอาการป่วยหนักเป็นยอย่างมัซอยบึงแหม่พินยังคอยมาไปชุ่มเพิ่งแหม่พินจากนัานก็ยังไปอีกจนญาติพี่น้องใดนิ่มว่นมากนี่แหละฟังดูซิว่าให้นับนิวมือบุญรุ่ปพนเมื่ออายุยี่สบเก้าปีบวชอร่อยอายุเพนลอยสามปีเมื่ อ, อปีออปีนี้แหะอายุลอยสามปีอายุลอยสามปีกว่าวนั่ไป ได้หลวงปูจามได้จากไปเป็นเวลาสักปีชีวิตในการบวชของเพินน่านถึงขนาะนั้นละคณะสทัยญาติโยมลูกลานแล้วก็วันทีหาที่จะถึงเนี่ยวิทามกราหาเจ็ดเวลา17ศูนย์ูนย์นอจะมีพระราชท่านเพ่งสรีระของหลวงปูจาาขอนิมตฑคุบาจาจทร์ ลูกหลานน้องนุงทั้งหลายเนี่นิมนต์เนี่หลวงพ่อได้น้ำเจ้าภาพอย่างที่ว่านี่ยแหะเพราะเป็นหลานเพลินแล้วก็ขอเชิญพี่น้องลูกหลานผู้ขู่ทุกคนไ ป, ไปร่วมงานรวงปูจามวันที่ในวันดังกล่าวที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่แหละพะหลวงพ่อพูดในรายละเอียดให้ฟังเพื่อจะให้ลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมได้รู้จักจก่บเอ๊ะทำไม่ผูกเข้ามาทําวัดมือนี ยังเลวหลวงพ่ออินก็ยังเบาละเอียดละอ่แฉ่นี่แหละคือหลวงพ่อในนามทนเน่เป็นหลานของเพลินคือแจ้งข่าวให้คณะสัทยาญาติโยมทุกลานทุกขู่ทุกคนพุกหลายจังหวัดนี่มีจังวัดอุดรสะกลนครหนองคายบึงการจังหวัดเลยที่มานั่งอยู่ตอนหนาหลวงพ่อนี่เพอาะนั้นข่าวเนี่ก็คงจะกระจายไปในบรรดาพระลูกพระลานทั้งหลายเป็นันดับแรก แล้วก็ขรจายไปในชัดท่าญยติโน้มบอกเกาต่อๆกันไปไปเนอะหลวงพ่อไปคิดว่าออกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็คงจะไปพุ่นละไปเตรียมการสองเดือนเพื่อจะได้จัดงานสรีิระของหลวงปูจามของเฮาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่เมื่อเพิ่นล่วงลับไปก็รู้สึกว่าขู่ค้นมาหลายเนอะแต่ไปหมดมไปแต่หลวงพ่อคิดว่ามันยั่งน่านเกินไป ที่ว่าวันที่18มกราคมหลวงพ่อก็เลยกลับมากก็เลยว่าได้ไปอีกมีแต่มอบให้ลูกหลานทั้งทุกนเขาจัดการดูแลเรื่องห้องน้ำห้องท่าเรื่องทองหน่งทั้งน้ำถึงเมน่นออ้ยังเขาก็จัดก็ฟัง่งๆหลวงพ่อก็เป็นผู้ฟังอยู่ทั้งนี้แหละก็ไปเป็นไปได้ดีอยูเอ่เกือบเรียบร้อยหมดแล้วแหะแต่หลวงพ่อก็ออกค้นสารแหละหลวงพ่อก็คงจะไปควบคุมดูแลการงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประวัต ง, งานของหลวงปู่จามเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะเพราะฉะ น, นั้นขอบอกกล่าวให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกผู้ทุกคนรับรู้รับทราบเมื่อเนานวาเป็นวันมงคลมหามงคลย่างยิ่งที่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายได้มาคารวะครูบาอาจารย์หลายวัดก็ทราบข่าววา่าผึกมากจากหลวงพ่อชาลี่วัดปลาผู้ก่อน ที่เป็นเพิินเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อชารี่กับหลวงพ่อนี่เกิดปีเดียวกันเนอะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อเนี่เกิดเดือนเมษาหลวงพ่อชารี่เกิดเดือนเกินกรกฎามิถุนาและกรกฎาเนี่ยหลวงพอ่อจําว้ชัดวะแต่ก็ไปทุกปีนะบอกงานันวันเกิดของเพิินแต่เป็นหลุดน่องของหลวงพอ่อแต่ว่านุกร อ่อนพันษาก็หลวงพอ่อพันษาหนึ่งพรอว่าหลวงพ่อนี่พ่อพบบวชหลวงพ่อบวชแต่หลวงพ่อชารี่นี่อาจจะอายุยี่สิบเต็มเป็นยังคอยบวชนะแต่เพิินกับนี่แหละเป็นผูมีบุญนักสักไก่ ย, ย่างพวกเข้าทันทั้งหลายได้เห็นเน่ย เ, เป็นเจ้าพระอําเภอนายุง่งพร้อมแล้วกัเป็นเจ้าอาวาสวัดปลาผู้ก่อนทาวอนวัตถุก็ยังผวกเข้าได้เห็นมีพระพุทธลูกมีพระเจดีย์ มากม้พุทธพนก่อสร้างขึ้นมาให้ลูกหลานทั้งหลายได้เห็นนั่นแะคณะสัทยาญาณโน้มลูกหลานก็ได้ไปกราบคารวะเพิินเรียบร้อยเลยกัลงมาหาลงพอเพราะลงพอน่ยปีที่แล้วก็ว่าได้เจอกันในลงพอโบยูเนี่ยลงพอเมืองบึงการ เ, เขามาลงพอยังจําจได้ปีที่แล้วลงพอไปธุระยังบุแต่ว่าปีนี้มาพบมาเจอลงพอเห็นแล้วก็ภาคพุ่มภูมิ อ, มบอบุ่นใจ คณะสัทยาญาติโน้มทั้งหลายถึงจังไรก็ตามพวกคณะสัตยาญาติโน้มผูกไฟในการกุศลไฟในการบุญการกุศลถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็คืออยู่ใกล้กันคันวัตผู้มีความคิดเห็นแนวเดียวกันแนวเดียวกันจังไรคือว่าเสือ้อเสื้อวาเสื้อในกัมคือการกระทําทํำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาป บ, บุญคุ้นโทษมีจริง น่กสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดตายแล้วบริสุทธิ์พอแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเข้าแนะนําจังซี่แล้วก็พวกเข้าท่านทั้งหลายก็ได้นับถือเหลื่อมใสในปฏิปทาของพอแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเข้าคือสายหลวงปูหมันที่เพิ่นแนะนําสั่งสอนพวกเขาก็ได้เหลืออ่อมใส่นับถือ เออตามทีพ่อแม่คูบาอาจารย์แต่ว่าถึงอย่างไงเท้ากับท่านหลวงปูมันถึงจะท่านหลวงปูมันก็เถอะเออเาก็ท่านคู่บาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูมันอย่างหลวงปูขาวหลวงปูเทศหลวงปูฝันหลวงปูหล่าหลวงปูจวนหลวงปูวั่นหลวงปูต่างๆที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปูมัน พวกเฮาได้เขารบนับถือเลื่อมใสได้ฟั่งแนวปฏิปทาของเพิินเพลินสอนจังไรแนวเนี่ยปฏิปทาที่เพลินสอนให้พวกลูกหลานยึดตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเฮาเนอะลงพอขอบอกกล่าวคือตามให้จริงพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเฮาเนี่ยเพิ่งยึดแนวแถวของพุทธะได้อา้าวลงพอเป็นอย่างอา่าปฏิวัตยึดแนวแถวของพุทธะ ทุกวัดทุกองก็พุทธะขึ้กันใช่แนวพุทธะขึ้นกันคือสรุปแรกก็คืออย่างที่หลวงพ่อจะสรุปให้ฟังว่าคนในเมืองไทยเนี่ยการธรรมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีสัมมาชีพหลายๆอย่างสัมมาชีพคือวผิดกฎหมายเป็นข้าราชการก็แมนหาเงินคือกัน เ, เป็นเศส้าให้เขาโพดก็หาเงินขึ้นกัน มั่นสำพลังหาเงินคือกันแล้วก็กียยางกห็หาเงินคือกันแล้วก็มีมากไม่ทั่วเหลืองบั ง, ง, เ, องเอียงเอียงต่อเอียงพอขาประชาช่นขายของช่ำํำขายปั่มน้ํามันกันร้วนแล้วแต่หาเงินคือกันแต่ว่ายางสายลงปูหมันของเฮ้านี่ย เ, เพลนว่าเอาวิธีการทำหน้าเนอะอยุดแนวแถวแถวนี้แต่สายอื่นเปนอาจจะหยุดแนวอื่น เป็นข้าราชการมากระยึดค้าราชการแต่เข้านี่นับถือเหลือ่อมใสเพราะเออเอาเถอะเข้าจะเป็นแบบเช่าหน้าเนี่ล่ะยึดตามแนวแถวของพอแม่คูบาอาจารย์สายหลวงปู่หมันเข้านี่แหละเพิินผ้าดําเนินจนังใดแนวแถวปฏิปทานี่ยพอเข้าเสื่อมันแนลแนวแถวคูบาอาจารย์ของเข้าพอเหตุใดพะว่าหลวงปู่หมันก็ดีหลวงปู่หลวงตาก็ดีเมื่อเพิินจุดตินี่แล้ผ่านไปแล้วกระดูกของเพิินได้กลายเป็นพระธาตุ เม็ดกลมตามตำรับตำล่าในพาดไหรปิดกคนก็บอกว่ากระกระดูกท่านผู้ใดก็ตามเมื่ อ, อ, อมาละนาภาพลงไปได้ไปชมเพิ่งกระดูกของเพิ่นได้เป็นเม็ดกลมได้เป็นพระธาตุอันนั้นแรกคือพระอรหันต์อันนี้เพิ่นบอกไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมากเพราะนั่นพ่อแม่ผู้บ่ายจาย์ของพวกเฮ้า เป็นอย่างสั่นอิริอ่อไปพราเพลินจุติในละพานไปแล้วกระดูของเพลินไกลเป็นพระธาตุให้พวกเข้าในหูได้เห็นพวกนั้นพอเหตุ น, นั้นเขาจึงมั่นใจว่าแนวแถวของหลวงปู่มัน่นพาดําเนินเนี่ยตนตะกูลของเข้าในยุกนี้เนี่ยเข้ามั่นใจว่าแนวทางของพระ อ, อร ห, รอหันต์เพราะเหตุใดเพราะกระดูอัธิธาตุของเพลินเน่ะเขาได้เห็นตามหูตามตาของเข้าเอาบอบ่อเสือก็ต้องเสือ เพราะเหตุใดเพราะเป็นอิรีนะเพราะเหตุใดอะไรเข้าก็ยึดแนวแถวเสื้อละบานเข้ากัดติดตามละบานหลวงปูหมันเพิ่นเห็ดจังไดในการภาวนาของเพิ่นในการประพฤติปฏิบัติของเพิ่นเข้ามาเปรียบเทียบกับลักถ้ำข้าสอนสะกก่อนลักถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าสะก่พอนพระพุทธเจ้าน่ยโบร่มะครู่เพิ่นเห็ดจังใดพระพุทธเจ้าเพิ่นก่อนที่เพิ่นจะหนีออกบวช เพลินข้องราชอายุยี่สิบเก้าปีเพลินเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นคือเห็นพระเห็นนักบวชเอ่อเพลินก็บอกโอ้ร่างกายสังขารคนเท่าเนี่เป็นของโบเทียงแท่แน่นอนได้ตายแท่แท่เห็นแก่แท่แท่เจ็บตายแท่แทเห็ุอย่างไรสิโบแก่ปวเจ็บปวตายเนาะบอกพูดให้เจ้าชิตธาเพลินขืดได้บาดเพลินเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายบัดแล้วเพลินก็ไปเห็นสมณะ เห็นนักบวชนางอยู wow. ่เหงาตนใหม่ตามลําพังนางคัดสมาธิรับตาเน่งอยู่ผู้เดียวเนี่ยไปเพลินไปเห็นเอ๊คานวาเข้าม่านนางอยู่อย่างพระองค์นี่สมณะองค์นี้สมณะท่านนี่เนีม่านนางอยู่ตามลําพังยังสี่เนี่เข้าคงจะคิดเรื่องที่หาทางออกที่พวแกปวดเจ็บปวตายคงจะคิดออกได้ขั้นมาเห็นยังสี่ยังเห็นอย่างท่านสมณะองค์ แต่ถ้าว่าเขาเล่าอยู่ในบ้านในเมืองผ้ารักขิตของเขอาบริหารจัดการ เ, าเรื่องอบริหารดูแลในเพียงในวังรักษาประเทศชาติบ้านเมืองมันมีเรื่องมากไม่ที่ทําให้เข้าขิดปวดหัวคงจะคิดหาช่องทางบา่อยเพราะมันหลายแนวคิดโพดขันมากคิดนางคิดอย่างทันสมณะองค์นี้คิดคงจะเป็นไปได้ นี่แหละอันนี้คือต้นคิดของพระพุทธเจ้าของเฮาจากนั้นเพ้นกระกลับเข้าไปในเวียงว่างจากนั้นพวกห น, นีออกกลางมาบวชกลางคืนเลยหนีออกจากเวียงว่างกลางคืนอไปพุทธนะไปเข่าเขตประเทศอื่นพุทธนะข แ, ขแขวงเขตแขวงกรุงราชคัก์พุทธนะจากนั้นพ้นกัทส่งผ่านวดในแม่น้ำแม่น้ำอโนมาหนาที่พอสรงผ่านวดเท่าไหร่พ้นก็บําเพ็ญเทบานไหรอ ทั้งที่พระเจ้าแผ่นดินเนีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเพิ่นนี้ไปบวชเพิ่นพวกเข้าคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเพิ่นที่ลำบากขนาดไหนเพิ่นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วไปเป็นคนขอท่านไปหาบินทบาทฉันบ่ได้อยู่ในบ้านในเมืองบอ่จะอยู่ในเวียงในว่างพ่อไปอยู่ในป่าทดลองทดสอบทดลองอยู่เป็นเวลาถึงหกปีนะเออบําเพ็ญอยู่หกปีพ่อวันเดือนวันที่เพิ่นได้สำเร็จ เพิ่นตัดสรุปเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณวันเดือนหก่นเพิ่นนางคัสฉามาธิอย่างพระประท่านที่นั่งต้อนาพวกเข้าเนี่ยแหละเพิ่นนางคัสฉามาธิก่อนที่เพิ่นที่นางสมาธิในมือนั่นเพิ่นบอกว่าได้โสตทิยะไปเกี่ยวห่าเดินผ่านมากใกล้คำก็เลยมอบหญาค่าให้แปดกำมือให้สิทธะเสิทธะนี่ ได้รับยาฆ่าแดกำ ม, มือมากมากว่าเห็นตนยูดเงาตนพ่ออยู่แล้วเพราะมันเป็นตนพ่อมันเป็นใบหนารกเนียหนาเดือนพฤษภาเนี่ยเพื่อนก็นหามุมได้มุมทางทิศตะวันออกพอได้มุมทังทิศตะวันออกก็เกียเอาอยาฆ่าซีากำ ม, มือว่างไปตังหนึ่งซีกำมืออีกว่างไปถึงคือประสานกันให้ปลา ย, ย้าฆ่าประสานกันยางและซีกำมือ จากนั่นเพิ่นเกิดขึ้นไปนั่งนั่งบนหญ้าค้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกอจากนั่นเพื่อเกิดนั่งสมาธิม่เียขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าร้วหายใจเข้าหายใจออกร้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออก บ่อยคิดใจคิดปุ่งฟงไปทางอื่นบ่อให้คิดถึงอดีตบ่อ้คิดถึงอนาคตให้จิตใจหรือปัทไทของผมยู้ที่ปลายจมูกเท่านั้นฮะอันนี้ก็คือนี่ที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรุปในวันเดือนหกเพ็ญในวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินตามปฐมมสมโพธิพระเด็กรววนะวายพระอาทิตย์ยังวันวันท่านตกดินกำลังที่ตกดินเออเผินนั่งสมาธิ จิตของเพลินพระไถ่ของเพลินใจของเพลินร่วมสงบจิตใจนิ่งร่วมสงบเกิดญาณทัศนะเกิดชาติปุเพเนวานุสติยานะละลึกชาติโคตรหลังใดนี่แหละถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นว่าระลึกชาติโคตหลังใด้ถ้าว่าพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี่ชาติเดียวว่ามีชาติที่แล้วพอจะระลึกไปยังได้ห่าจิตลึกะลึกริลึกละลึกได้ทั่ไหนเพราะว่าเกิดมาชาติเดียว อันนี้รักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าพอนว่าตายล้วบนศูนย์เนอคณะสัตท่ายาิโยมหลูกลานเนอตายเราเกิดเนี่ยนะจวปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติ้นหลังได้พ่อถึงเทียงขึ้นเพิ่นระลึกเพิ่นเบิงจกของเยตอนหัวคำเนี่ยเพิ่นเบิงจกของอเบิงตัวพระพุทธองค์เองเฮานี่มาจากใสมาเกิดเนี่ยชาติที่แล้วมาจากใสชาติกรมาจากใสเพิ่นไหลไปมด ชาติที่แล้วพ้นมาจากสวรรค์พ้นมาเกิดมาเป็นศิตธาเนี่ยมาจากสวรรค์ชันดุสิตแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์เป็นไผเป็นพระเวทชันดอดไล่จากพระเวททันดอดไปอีกไล่ไล่ไล่ไล่ ไ, ไ ล, ไ, ลไปเน่าวเยียดเลยท่ น, นี่นี่แหละความเป็นมากของวิญญาณหรือว่าความเป็นมากของพระ อ, องค์เองเพิ่งจังรู้ได้ว่าตายแล้วบวศูนย์บุกเพในวาสานุสติยานล้ำลึกชาติผลหลังได้ พ่อถึงเทียงเขินเหมือนนั่งภาวนาอยู่บอกขยับเลยเจ็ดพระจิตไก่พระไทยขององค์ร่วมสงบลงไปอีกจุตูปะปาตายานบาดนี่เบิงผู้อื้นบาดนี่เบิงผู้อื่นยังเบิงผัวเข้าสรรพสัจทั้งหลายในโลกเกิดมาเป็นอย่างบกคือกันคนหนึ่งทุกคนหนึ่งรวยคนหนึ่งสวยคนหนึ่งขี่เลคนหนึ่งเป็นบ่าคนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งโง่คนหนึ่งฉลาด คนนึงพิการคนนึงประสวยงามเป็นอย่างบนบกคือกันเกิดมาในโลกเป็นมนุษย์คือกันมันน่าจะคือกันพอเพิ่นเบิงปไปแล้วนี่ยแต่ละวิญญาณเบิงลายลายลาเลี่ยงเบิงแล้วเพิเนเ่นบอกว่ากรรมเกิดมาตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ข้านวา่าภูไรสอบขาซัตต์ัดชีวิตเกิดมาพบนี่ชาตินี่ตายง่ายข้านบ่ตายงาย่า ย, งายกับทุกพลภาพในร่างกายเจ็บแคลงปวดขาหูหนวกตาบอด บ, บ้าใบ เพราะว่าดนเบียดเบียนซัตว์ในอดีต เ, เป็นคนพิกงพิการพอกำรบรแต่ละกำบอย่างพระโมกขล่า เ, เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ผลในสุดก็ถูกโจรขา่าที่กาลสีลาแขวงขุงนรัชจะคือเป็นอย่างพันยังตายทั้งที่คนทั้งหลายก็นสนเท่สงสยัยพระโมคขล่ามิธรทำคุณง่ามความดีมาท้ามาตายมาตายถูกโจรขา่าเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้า สมข่วนแก่กัมที่โมกขาล่านได้กระทาไว้เพราะอดีตชาติโมกขาร่าในขาพอกับแม่เพราะนั้นกัมที่ได้ขาพอแม่ต่นนั้นน่ะย่งตามอยู่นั่งตามล่างเช็ดล่างถูพระโมกคาร่าอยู่เพราะนั่นพระโมกคาร่าในภพนี่ชาตินี่คือกัมเก๋เอทีข่ขาพอกับแม่ไว้แล้วในอดีตชาตินี่นแหละพราพเจ้าองค์ทันเพื่อนมองเบิงว่าแต่ละคนมีกัมคือการกระทําในอดีต โบทถ้ำในอดีตเนี่แล้วมาปัจจุบันนกกรรมยังถ้ำกรรมในปัจจุบันอีกระหว่าปัจจุบันกรรมอดีตกรมปัจจุบันนกรรมทาจจนนรรมา่าท่าว่าถำกรรมดีในปัจจุบันผลกรรมดีกับทรงให้จังคู่บาอาจารย์นี่แหละบวชเขามาเนี่เป็นผู้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เป็นพระที่ดีปีนองประช่าชุ่นกับให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะเหตุใดเพราะพ้นเป็นผู้ดีคนดีแต่ว่าพระบางองค์ขึืนมาเนี่ยสมรเล่เท่เมากินเหล้าเมายา ทำตัวบดีรัท่าญาติโยมกบเบาเหลือมใส่ม่อนับถือเพราะเหตุใดเพราะเหตุกรรมซัว เ, เหตุกรรมบดีทำตนบดีนี่แหละในปัจจุบันนกรรมและอดีตกรรมคื่กันขันว่าพวกเข้าได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้อดีตกรรมดีเกิดมาพบนี่ชาตินี่ก็ไปเกิดในสถานที่ดี เ, เป็นสถานที่เหมาะแล้วก็เกิดมากจะเริญรุ่งเรื่องลำลวย การดาเนื่องชีวิตก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบตรึงดีเพราะเหตุไรเพราะกรรมในอดีตดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเพลียงตรัสเป็นพระบาลีวาอาคตังดุ ก, กตังเสยโยปัชชาตปติดุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วนั้นจะติดตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะนั่นพวกเฮาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า การที่จะคิดจชงไหนก็ต้องคิดดีเมื่อจะ ท, ทําเชิงไหนก็ให้ทําดีเมื่อจะพูดเชิงไหนก็ให้พูดที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีคัณว่าพวกเข้าเหตุดไดจึงสิทธิมิจะคว่ำจะเริ่นรุงเรื่องไปอยู่ในสถานที่ใดมิจะความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละพระพุทธองค์เป็นหูนะวะ่าจุตูปะป า, ปาตายาการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีต ท, ทั้งปัจจุบันนใ น, น, น, นชาติ จากนั่นพ่อจวนสว่างเพลินกระเบิงใจของเพลินใจหรือปัทไทของเฮ้าใจของเฮ้านี่มาจากใสมากเกิดมันจะมาวนเวียนเวียนวายตายเกิดในปัตตะสงสารลุ่มลุม ร, มรอนรอนสูงสู ง, งต่ําๆเกิดพบนั่นเกิดชาตินี่ว่ามีที่สินจุดมากมหมมาหาสารเพราะเหตุใดพเพลินกระเบิงอีกว่าโอ้เพราะกิเลสเนี่ยลาา่าฆาตโทษสะโมหะเป็นผู้นํามาเกิดเป็นผู้นั่ง ด, ดวง เป็นกรรมคือการกระทํานําจิตใจของเห่าผ้ามาเกลเดพบพุ่มต่างๆเพื่อก็ย้อนไปอีกปานี่มันมาจากสมาเกิดใจตรงนี้เพิ่นกันพิจารณาลงไปไปถึงปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจะยาสร้างข้าระสร้างข้าราปัจจย า, ว, ว, ญญานะวิญญาณวิญญาณปัจจยานามารูปังนามารูปสรายจตนะพัสเวทนาตัญหา อุปทานพบชาติฉรามรณะโศกะปริเทวทุกโ ท, โทมณฑูตนี่แหละอันนี้คือคือความเป็นมากของดวงวิญญาณคือใจของเห่า เ, เกิดมาจากตัวอวิชชาคือความโง่เพราะความโง่ขึ้นมาแหละกัอวิชชาเป็นปัจจัยอออวิชชาปัจจ ย, ยาสังขารสังขาราเป็นสังขารขึ้นมาแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาแต่ในพระพทงงุทธองค์ก็ใช่ตะปาร้ำขือศินสมาธิปัญญาการกล่องตรายตองอ่อชําระกิเลส จากพระไทยของพระองค์ลดออกจากพระไทยใจพระองค์ใจของพระองค์เป็นอิสระเป็นไทย เ, เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึนมาบาัตจิตใจเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมจิตใจบริสุทธิ์พณนก็บอกประกาศแล้วชาตินี้เป็นชาติชุดไทยของเฮาแล้วเฮาบ่ามาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเกิดนันคือกิเลสราคะโทษสาโมหะ เล่ากําจัดออกมดแล้วจากพระใหยจากใจของเฮ้าอันนี้ก็คือพระธองค์ประกาศในวันเดือนหกแผ่นที่โคนตนพ่ออันนี้คือเป็นบร่มมครู่ของพวกเฮ้าเป็นมาในปฐมสมโพธิพุทธประวัติแต่ที่มาเปรียบเทียบหลวงปู่มันหลวงปู่เสาของเฮ้าบาานี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเฮ้าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเเพิ่นบอกว่าลูกหลานทางรายเอ้ย าการภาวาน่านี่จะกําหนดลมหายใจเข่าออกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นถํานึ่งกัมันก็ได้แต่มันหลุดง่ายนะสำหรับข้าเป็นสาวกสาวกะสาวกเป็นพระลูกพระหลานนี่ยมันหลุดง่ายคันหาว่าพวกข้าสซ้ทับบริกรรมพุทธโธเขาไปอีกบ้างนะหายใจเข่าพุทหายใจออกโธคือพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ว่าให้กําหนดกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกกลัวหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าที่เพิ่นในตัตทรูในวันเดือนหกเพ่นแต่หลวงปู่สาวหลวงปูม่มันเพิ่นบอกว่าให้ลูกหลานทั้งหลายบริกรรมหายใจเขา่าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทษพดโทษนะเนอะทำให้จิตใจของเขาจะนิ่งสงบลงไปได้ คานาวาเข้าแต่เอาจะ ก, กำหนดล่มหายใจมันลดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายให้สัมทับกับพุทธโธเขาอีกเนดะ้ออันนี้ก็คือพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเข้าแนะนำแต่บัด น, นี้หลวงพ่อแนะนำอีกกรรมาฐานอีกนะเราก็ลงปูมันทั้งลงตาคู่บาอาจารย์ว่าคานาวามันยังลดออกไปอยู่ให้ภาวนาพุทธโธ ท, ทีๆเด้อวนะ่าต้องกำหนดล่มหายใจเขาออกต้องให้ภาวนาพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธ แต่ก็ต้องออกปากก็ต้องเบาเอาใจเอาใจของเฮ้านี่ตัวนึกคิดตัวผู้รู้ลูนให้มันบอกพดโทษทีทีเออบอให้มันหลงไปมองอื่นอันนดก็คือประการภาวนาบัทฮะนี่หลวงพ่อแนะนําอีกว่าลูกหลานเอ้ยหลวงพ่อเคยภาวนาบังจยากหูอยากว่ามันลดจังไดง่ายๆ่ายใ ห, ให้ให้ทดลองนับบังหน้าหลวงพ่อบอกวันเวลาหายใจเข่า น, นับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงลอยเออหับถึงลอยโบหลงนับถึงลอยบบเผลอเอานับหนึ่งใหม่กลับมาหนึ่งอีกข้วันนับให้นับเห็นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าหายใจเข่าเนี่นับหนึ่งหายใจออกเนี่นับสองหายใจเขานับสามหายใจออกนับสี่นับผ่านับหกถึงลอยเพราะว่าหายใจเข่านับหนึ่งคือเลขคี่ฮะเลขคี่หายใจออกเลขคู่สอง หายใจเก่าเลขขีสามหายใจออกเลขคู่สขีคู่ขีคู่ขีคู่ไปถึงลอยคานาวามันบวเผลอแสดงว่าสติของเข้าดีพ่อสมควัฒน์นะนับหอดลอยหรือบวเผอให้เบิงนะ้งเนอกลับไปนี่ย้มมือขึ้น น, นันะ่งพ่อนาเบิ้งเนอลูกหลานนะเนอะให้ใ ห, ให้ให้นับร่มเบิ้งคานาวานับร่มไปแล้วนับท่านถึงสิบเออหายใจเข่าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขีแสดงว่า สติของเข้าในย่ำแย่ขนว่านับว่ถึงชีนหลงไปแจกว่าซักเทือนอันนั้นเข้าจะไปหัวเราะได้จะไปดีใจได้มันพร้อมที่จะเป็นอันเชยเม่อพร้อมที่จะเป็นบ้าได้ง่ายๆคือกันคนขาดสติเพราะนั่นเข้าต้องตั้งฝึกสติให้แข้มแข็งอีงง่หายใจเข่าหายใจออกเบิ้งจิตใจของเจ้าของบัตรต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือมาหู้บุหรี่ด้เขาจะปล่อยไว้นี่เออมันสติของเข้าเลื่อนๆร้อยขนาดเต้มมันใช่บุหรีแล้วนะนี่นะ บัดหาเท่าแก่ม่เข้าสีขนาดใดถ้ามันล้อยขนาดนี้นะเพราะนั้นต้องฝึกสติให้ขแข้มแข็งกันดีหายใจเข่าให้นับหนึ่งสองสามหายใจเข่าเป็นเหล็กขี่ให้จะออกเป็นเล็กู่ขี่คู่ขี่คู่คานาวาบอเผลบอหลงบอลือลมแปลว่าสติของเข้าดีนั่นเป็นการฝึกสติน่ะอ น, าายยานัตถธาตญาตโยมเนี่ยเมื่อเข้าภาวนาท่นี่หลวงปู่เสาหลวงปู่หมันพอแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนบอกว่า ข้าวพาวนาทมจิตใจให้สงบหายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษพุทโทพุทโทษในเมื่อเขานับถึงหน่อยหลายครั้งแล้วบอเผอนะให้พระพาภาวนาพุทโทษในบัดหายใจเข่าพุทหายใจออกโทษหายใจเข่าพุทโทษพุทโทษเมื่อเขานั่งภาวนาไปใจของเขอบริสุทไปทางอื่นอยู่กับร่มหายใจเข่าออกที่ปลายจมูกจิตใจจะร่วมเน้อบัดยึดใจจะร่วมสงบปุ๊บลดเลยเย็นว่า ไปลว่าเย็นเพชรปกติวันลงไปนี่แหละจิตมันจะเริ่มเริ่มร่วมเลยได้บ้างยึด จ, จิตใจของห้องกำลังเรื่มเริ่มจะร่วมสงบและบะ้วบาดคณาว่าเ้าใสใจนะพอร่วมสงบบาบลงไปเย็นสบายโอ้บังกีเนี่เป็นอย่างใจของห้องจึงมีความสุขถึงขนาดนี้ว่าอฮู้ได้เลยบย้างพอมาไอกเขา้าจะไปสนใจมันนะมันพานไปแล้วนั่นคือการเท่าได้กิน อาหารเลิอรลดแล้วติดอกคิดใจแล้วยังคืดหอดมันอยู่บอดายบ่ต้องคืออดของมันมันเป็นอดีตแล้วบ่ต้องคืดถึงมัน อ, มอีกหาใหม่กาหนดอยู่กระโปรงหายใจเขาออกยังเก่านั่ย น, นะภาวนาจากนัานใจของเขาจะร่วมสงบเป็นอุปจาระสมาธิอันนั้นเรียกว่าคณิกะใ น, นเบื้องตนนะ้วนวะ่ากันคือคณิกาอุปจาระสมาธินี่คือจิตใจร่วมสงบสติกับจิตนี่ไปในเดียวกัน คือสตินี่ควบค้มตัวผู้รูคือการกับเข้ากังห่มไปนั่นสตินี่คือการกับห่มจิตนี่คือการกับเข้าเจ้าของเป็นผู้กังหม่มไปยุดใสก็อยู่ในหม่มจิตใจของเข้าจะบ่หิวบ่ห่วยจิตใจของเข้าบ่กรว้นกระ ว, ระวายจิตใจของอิม่มมีความสุขจะให้คิดจะไปใสก็ไปเมื่อได้ยินเสียง ข้นดุดาว่าเก่าเสียง เ, เสียงยังกระตัง้งใจของเฮาสิบวทร่งไปตามมันจะมีสติควบคุมใจของเฮาอยู่ตลอดอันนี้เลยว่าอุปจารสมาธิจิตใจกับสติควบคุมกันแต่เมื่อเขาภาวนะเาเฮาเบิ่งอีกเบิ่งจิตใจของเฮาบ่กให้มันเผอไปใส่ดูกําหนดเบิ่งให้ชัดเจนบาดนี้จิตใจจะร่วมสงบเลยคานว่าเฮามีความกำหนดบอกให้มันคิดนะให้มันอยู่นิ่งๆเบิ่ง กำหนดกำหนดลมหายใ จ, ข, ใ จ, จของบางใจเจ้าของอยู่ตลอดใจของเขาจะร่วมสงบลงไปอีกข้าวนี่อาจจะเป็นเหมือนกับ น, นอ่นรับว่ดตึกตกเหีย ว, ต ก, วตกบออ่อเออไข่ข้าววัแบบวูบว่บลงไปแลว้วนนัไปแต่ว่าสติกับจิตเป็นอันนึงอันเดียวแต่บางค้อนพ่อวูบลงไปถอยย่านกลัวตายวันนั้ไปแต่บางค้อนพ่อวูบลงไปมันอยู่กักแล้ว่ันนัไปบ้านนี้พ่อร่วมสงบลงข้าวนี่พิษปกติเดี๋ยววัสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น จิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นนั้นจิตกับจติเนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันบอหลับหูท่างกายได้ได้บ่าเนี่ยมันบอทรงมาท่างตาท่างหูท่างจมูกท่างลิ้นท่างกายบอกหูจักว่าจะขอกนางอยู่ใส่มีแต่ว่าจิตกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมสงบนิ่งเนี่ยวิธีเออันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่แหละจิตพ่อถึงอัปปนาสมาธิบอกได้เลยว่า เกิดและตายตา ย, ตา ย, ตายแล้ว 0, เกิดตายตายเกิดเลยศูนย์ตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์แล้วตายแล้วเกิดจะบอกด้วยตนเองหน่อยตายแล้วต้องเกิดแน่นอนว่าเป็นอย่างอื่นร่างกายของเขาเป็นอันหนึง่งจิตใจที่สงบนิ่งเป็นอันหนึง่งถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกว่าร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถบอย่างโมเมนอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันแต่พึ่งผ้าอาศัยกันรถที่จะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี่ก็คือกันร่างกายของเห่าหนี่งคือกันกับรถตัวจิตใจคือ น, น้ำมมรทาตัวผู้รู้รูคือคนขับรถแต่มันอาศัยกันอยู่แต่รถขั้นนี้นี่ยมีจุดจบเอีกสักมือหนึ่งร่างกายตัวนองก็จะต้องแตกสลายมดลมหายใจ แต่วิญญ่นย่านขึ้นใจตัวผู้รู้นั่นนะออกจากร่างแร้ยว่าเนี่ออกจากร่างนีอองน่ไปเกิดมองไม่อีกเรียวกว่าปฏิสนธิออกจากร่างไปเกิดนี่แหละในหลักธรรมขัสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าก่อนที่จิตใจจะออกจากร่างพวกเขาเนี่มีสองทางวัฏฏินางอยู่นี่มีกายกับใจรู ป, ประธรรมกับนามธรรมาา ม, มีใจกับกายกายกับใจแต่ร่างกายของพวกเขาเนี่อีกสักมือหนึ่งเน่ยบ่เมือ่อใดก็บมือนึงละ พวกเข่าเนี่บอมมี่พุทธเจรลีกลีนี้พ้ไปได้ต้องตายโดยกันทุกคนร่างกายไีย่ต้องเอาไปเผาไฟถิ้งด้วยกันทุกคนอ อ, อันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าน้ำ ม, มาถําขึ้นใจที่อยู่ในใจของเขาเ่าตัวที่อยู่ในกายของเข่านี่ยจะออกจากร่างได้บางนหมนี่แหละเพระพุทธเจ้าเพนว่าก่อนที่ใจจะออกจากร่างนี่ยเขาได้ประกอบคุณงามความดีไว้บเข่าได้สร้างบุญกุศล เป็นเป็นทีเพียงพ่อแล้วบอกคันนาควาเฮ้าบ่ได้สาง บ, บ, บุญสางกุศลใกล้ๆบ่กวิ่นย่านในใจดวงนั้นบ่มีเงินออกจากกรางไปแล้วกับบ่มีเงินในเมื่อบ่มีเงินคือคนคือคนบ่มีบุญข้นบ่มีบุญคือคนบ่มีเงิน อ, ออกจากบ้านไปแล้วนะออกจากรถไปแล้วก็เฮ็ดจังไรบ่ขนบ่มีเงินจะไปหากินขา่าไสกับหาบา่ได้โตโตเตเตไปแล้วบ่ ไปเกิดเป็นสั้างมางกงอกควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นเพลินว่าเพราะฉนั้นพวกเข้าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลว ง, ง, งปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่หลวงตาเพลินแนะนําสร้างสอนให้รู้จักบาปรู้จักบุตรรู้จักขุนรู้จักโทษให้ลูกหลานทาั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทเนะ่าตายละเบอศูนเะน่า พ่อตายร่างกายเนี่ศูนย์แน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่น้า ม, มาทธรรมขือใจตรงนั้นออกจากร่างแล้วไปเกิดปฏิสนธิมองอื่นอีกนะเพราะฉนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่์นยังบอกว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนั่นแหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิรนว่าเพิรนให้ความ สำคัญในโซ่เฟอร์มากกว่ารถผลว่ามนโนขึ้นใจ ใ, นใจดวงนี่แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะดันขอให้คณะจัดท่านยาอดโนมลูกหลานประกอบคุณงามความดีเนอประกอบคุณงามความดีคื อ, อยังให้ท่านรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะจยิงรักษาศีลนี่แหละแล้วก็ภาวนาก่อนรับก่อนนอนให้นางภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้บอกนั่งขาขวาทับขาซ้ า, ายบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละ เป็นมหากุศวอันยิ่งใหญ่ให้พวกเข้าศึกษานะให้ศึกษาในถ้ำคําคสอนของพระพุทธเจ้าพราะเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ละวัดกูบาอาจารย์เพลินก็คงจะสอนเนี่ยว่านภาเนเพลินก็คงจะเปิดเทปให้พวกเข้าภาวนาจังใดไหวพระจังไดสวดมนต์จังไ ด, วงไดพวกเข้าอย่าห่างเหินจนเกินไปเออให้อยู่ใครใกล้วัดใกล้ว่าใกล้พ่อแม่ผูบาอาจารย์ทางโลกเข้ากับบห้ขาดตกบกพร่องการทํามาหาเลี้ยงชี เป็นขราชการทุกระดับเท่ากับถ้ำดีที่สุดย่าให้ขาดทุ ก, กพวกพ้องอแต่ว่าส่วนบุญส่วนกุศลทั้งด้านคิตใจก็ย่าให้ขาดย่าให้ห่างจนเกินไปให้ถือว่าตายเราสุบหดศูนย์ตายเราเกิดแน่นอนเอพ่อรันขอให้พวกเฮาคณะจัทวาญาติโยมลูกหลานทุกขูทุกคนนะได้ยินได้ฟังถ้มค่าสอนของอพระพุทธเจ้าที่ลูกพ่อได้นามาบลรยายให้กับพวกเล่าท่านทั้งหลาย ขอให้พวกเข้าทั้งหลายทุกคนนะลูกหลานนะประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใ จ, อ, จยอย่าตั้งอยู่ในความประมาททังโลกเข้ากับยาห้ขาดตกปกพ่องการทํามาหาเลียงชีพการทํามาค้าขายเข้ากับยาห้ขาดตกบกพ่องแต่แทางด้าน จ, จิตใจพวกเข้ากับยาให้หางจนเกินไปให้ไปทั้งสองยานอาหารกายคือเขา้านำพโภชนาอาหารปัจจัยสี่เรียกว่าอาหารกายอาหารใจก็คือบุญคือกุศล ที่พวกเข้าจะต้องสร้างสมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเข้าแล้วก็กรรมชั่วอย่าทํา่ำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อท่ำแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละถ้าว่าพวกเข้าท่ากรรมบดีไว้กรรมบดีนะี่จะติดตามในภพภูมิต่อไปภายภาคหนา้าบ่มีที่สิ้นทุดเพราะนั่นกรรมซัวยาคิดยาคิดซัวยาท่าซัวยาพูดซัวนะ กันชัวรลยเนะ่ยกรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะทำและทําลงไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นให้ทำแต่กรรมดีเนาะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู้จิตเข้าสู้ใจบุญกุศลจะเข้าสู้จิตใจแล้วมีแต่ความสงบรงบเย็นเป็นสุขเ อ, อิบอิ่มละจิตในใจเ อ, อถึงข้าวมานเอออายุของขามีเท่านี้แหละจิตไปแล้วเด้ยบาดีเนาะบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนาะ ที่ผู้ขาได้ทํามาแต่น้อยเท่าไยทํามาในอดีตจนถึงปัจจุบันเทําพบบุญกุศลได้พบในชาติใดก็าตามให้มากเกลือกุล น, นูนขาไปเจ้านะเน้อขาไปเจ้าจะทิมธาตุขันร่างกายแล้วป่านนี้ตายละบุญกุศลเข้ามาสู้จิตสู้ใจขาไปเจ้าเนะ้อนั่นแหละให้ปล่อยว่างจังสันเข้าระลึกถึงบุญกุศลบุญกุศลทั้งหลายก็จะเข้ามาสู้จิตใจของเฮา จิตใจเขาจะเอิบอิม่มถ้าว่าเข้าบาด้สังบุญสางกุศสนในจิตในใจนะเ้าจะเลดึกถึงอันอยังเลยเออกูบาปบาปวกุศลทั้งหลายเนี่ยกูได้ขั้มความชั่วทั้งหลายเห็นมาหากูทั้งมัดเด้อเอากมชั่วทั้งหลายมันก็นสิตแลนของมาหาคือเราเนะนี่ยบาปนีพาไปใสกำชั่วเอออันดับแรกกับพาไปตกนกกรกนะอนอต่อมากับมาเกิดเป็นสัติระชานเนะีนะ่ยมันเป็นทังสันก่ยกชั่วเพื่อนขอให้พวกเข้า ลูกหลานทุกคนนะอความแก่ความเจ็บความตายตักเตือนเฮาอยู่ตลอดมากแต่เฮามันลืมมันว่คุดอพอหลวงพ่อยังเอกาเป็นแนวความคิดให้พวกเฮามีตาแก่คนหนึ่งอายุหาหกสิบปีตายไปพ่อตายไปแล้วบาดไปหอดพญโยมพอบ า, น, อาไนไปเห็นหนาพญโยมพอบานนั่นนะ ไปหอดกับโมโหอยู่ในใจอยู่แล้วว่นนี้ไปไปบอกว่าพญายมทํำไงเอาผมมาบอบอกหลวงหนาคอนผมว่าท่านได้ใส่หนี้ใส่ศีลผมว่าท่านได้บอกพี่นรรายกมอยังมอบหมายอาย่างทั้งหมดเอาผมมาแบบบอบอกบอกเ่าอันนี้บอเป็นถ้ำสาหรับผมเลยจะแน่เพราะว่าตะแก้ว่าพญายมพอบานก็นเห็นตะแกโ่โมโหขึ้นมาพญายมพอบานยายบอย่านไปเด้ ه, พยายากลับมันพยานไปได้ ต, ต๊บโต๊ะเปี้งยงแะไรกันไปเฮ้ยอย่าพูดอันนี้ปัโลกนะไม่ใช่มนุษย์โลกนะทามนุษย์โลกพูดโต้แย้งอย่างนี้ได้อันนี้ปัญโลกอ้าวท่านไม่ได้บอกผมจริงเน่ยบอกทําไมจะไม่บอกฟังจะเลี้ยงนําดับให้ฟังอผมเขาผมหงอกเมื่ออายุเท่าไหร่อายุหกสิบกว่าปีครับนั่นแหละจดหมายฉบับหนึ่งบอกไปท่าน แล้วฟันรถล่ะเท่าไรตนะประมาณห้าสิบกว่าครับเออนั่นแหละจดหมายฉบับหนึ่งบอกไปแล้วเตือนไปแล้วแกและนะเอ่อง อ, นะอ๋องงอกเรานะตาใสใจแว่นตาเด้เอายุเท่าไหรนะ่ตอนอายุประมาณสี่สิบปีตาพาเออนั่นแหละเตือนมาอยู่ตลอดตั้งแต่อายุสามสิบสี่สิบปีจนหอดหกสิบปีว่าพญายมบทถูบทเตือนใดจังไดเตือนมาตลอด เตือนมาว่าพ่อตาผ้าฟางกระตัดแฟนมาใ ส, ส่ซะกันว่าแขวลนก็เอาแขวมาใส่ไหมซะก้อนหูตึงกระหานวมาใส่ขั้นว่าผมหงอกผมขาวก็หาหย่ะห า, ยยหาสีมายอมนี่แหละเ <_ S 1> <ๆ>ขาเตือนมาตลอดออตะแกหังบอสธนรกเองจะให้เั้งาจังไรอีกเขาจะเนี่ยพญายมว่าเนี่แหละพวกเข้าเบิงนงห้เบิ้งเจ้าของบ้านนี่อแภัพยพญายม มาโทษเนีเขาเตือนเนี่ยงใดสำหรับเขาเอ่อบางคนกับตาฝ้าฝ้า บ, า ง, บางท่งของหัวผมหงอกหลายเสศษแล้วเ อ, อยังหลวงพ่อนี่เตือนมาหลายแนลนะเดหลวงพ่อบอบอสบอปมาดเดีหลวงพ่อเนี่ยเบิงเจ้าของอยู่ตลอดวันไปหลวงพ่ออินเนี่ยวันไปนั่นขอให้ลูกหลานเบิงนะเบิงเจ้าของประในโยมพ่อบาโลโยบบรรทุกบอว่านี่ละเอยอย่ามารื้อ้านต่อยมบรรทูกไปทหารเอ่เอาไปลง กระทะจะให้เข็ดต่อไปจะได้ฉลาดกว่านี้เสนอโยมบัโทูตเขาเลยให้ลูกน้องไปย้อนลุงหมอตลกคนไปบาทให้หมอน้อยนึงบานนีเ้เด็กหน่อยอายุประมาณยี่สิบกว่าท่านจอมบัโทูตครับแต่คนลุงนั้นอ่ะใช่ท่านได้เตือนแต่ผมเนี่ยังน้อยหนุ่มอายุเพียงยี่สิบกว่าก็เอาผมมาแล้วทาไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมสำหรับผมเลยเห็นไ ไอหมอหน่อยนี่ว่าไอตุไอนมนี่ว่ายมมาโเอ้ยนมเธอจะไปพูดอย่างนั้นเพื่อนของแกเนี่ยตายไปเมื่อกี้เนี่ยอายุเขาเท่าไหร่อายุเท่ากันกับผมแล้วครับทำไมเขาจึงตายเขาเป็นไตาวายครับอา้าวนั่นแหละยมมาโทษเขาเตือนไม่ใช่เตือนอย่างเดียวนะพูดอยู่รอบข้างตายให้เห็นแล้วทำไมไม่สํานึก ทำไมไม่สร้างคุณงามความดีเขาทนอืดตายให้เห็นอยู่แล้วทําไมเธอจึงไม่คิดว่าตัวเองจะตายเหมือนกับเขาเนี่แหละการเตือนไม่ใช่เตือนอย่างเดียวกันนะเอาเธอเธอยังน้อยหนุ่มอยู่ไปไปหาเกิดเซาสันยมบรรทูดว่าเพราะนั้นพวกเขานะ่ะยมบรรทุดเตือนแล้วให้ระมัดระวังนะอีกสักหน่อยนึงเขาก็เอายืนวีซามาให้ทะนันบัตวีซ่า วีซ่าผู้ได้เกิดมากเขาเขียนวีซ่าไว้แล้วเด้กอีกมือดีขึ้นดีเอาคุณจะบินกลับต่างประเทศได้แล้วเนอะถึงกำหนดแล้วบนะัดเท่าได้รับวีซ่าเขากันนี่แล้วเมือ่อท่ลมหายใจเขาเออกเขาก็ทรงขึ้นเมนเน่นธนบัตรไปต่างประเทศของภัยของมั่นเพราะนั้นขอให้พวกเ ข, าขาา้าคณะทัตไายญาติโยมลูกหลานเนี่ทุกคนนะเนี่ยแนวมันบดียาเห็ด จะคิดจะพูดจะทำทำแต่สิ่งที่ดีบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเฮ้าชีวิตของพวกเฮ้าจะถึงลอยปีในต่างคนต่างไปเพราะในให้ประกอบแต่คุณงามความดีบุญกุศลนรกสวรรค์บาปบุญคุนโทษตายเราเกิดแน่นอ น, นาตามลักธิธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเฮ้าเสือกรรมเสือผลของกรรมกรรมชั่วอย่าทำเสเลดีกว่าให้สั่งแต่คุณงามความดีเขาสู่จิตใจพวกเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญ การกล่าวสัมโมทธนยกถาในมือนีเห็นวาสงควนกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภสษีลัตนาตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาคุ้มข้องพระหลูกพระหลานคณะสัทยาติยมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรม ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน